วัตตุอระตุสัมมาสัมบุตตสนาโมตัสสะมันตะวัตตุอระตุสัมมาสัมบุตตสสะนาโมตัสสะเกวตอรตสัมมาสัมุสสะ อีดานปนาราีดิวสีสันนิปติทายะบุถะปริสัยาขจิมิกาายเตชเมธมสานิสารธมาติหิมสัตมาภริยาญัทโธาทายสมันเตหิสกจังธมโม โซตบตรนวันนีเป็นวันปณาราศีตีที่15ค่าแห่งสุขการบักเป็นวันธรรมมะสวัสด สำหรับพวกเราท่านทั้งหลายต่างก็ได้พากันตงวางภากิจมาบำเพ็ญบุญกุศลให้แกตนของตนโดยสมควรแก่การปฏิบัติในเบื้องต้น เราท่านทั้งหลายก็ได้พร้อมกันสักการบูชาพระรัตนตรัยด้วยอามิสบูชาต่อแต่นัน้นเราท่านทั้งหลายก็ได้สมารถทานซึ่งศีลเราที่นั่นน้อมนำไปบึกปฏิบัต โดยเป็นส่วนเป็นเจเวระวิรัตบังคือสินห้าเราบริสุทธิ์สิและแก่สินแปดบั้งโดยสงควรแก่กำลังศรัทธาความเชื่อภาษาทะาความเลื่อมใสแห่งพวกเราท่านทั้งหลาย ต่อแต่นี้เราก็จะได้สนับรับฟังซึ่งพระธรรมมันดามีอยู่ในพระพุทธศาสนาอันได้ชื่อว่าคาสอนของพระพุทธเจา้าเพื่อเป็นการประดับกายวาจาจิตและส่งเสริมเพิ่มเติม บุญบารมีของตนของตนให้ยิ่งขึ้นไปอันหนึ่งวันนี้นอกจากจะเป็นวันพระปันธรรมัสวนนาดังกล่าวแล้วตามโบราณากาลก็ถือว่าและเข้าใจว่าเป็นวันออกพรรษา สำหรับภิกษุผู้ที่อยู่จำบันสาครบสามเดือนไตรมาสพระรูมศาสาศดาทรงอนุญาตโดยเฉพาะคือวันนี้เป็นกรณีพิเศษให้พระสงฆ์ผู้ที่อยู่จำบันสาร่วมกันตลอดสามเดือนไตรมาสตวารณาซึ่งกันและกัน ตามปกติพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาแห่งเราท่านสังายตั้งแต่ครั้งพุทธกาลสืบมาจนถึงปัจจุบันทุกกึุ่งเดือนแห่งปักใหญ่จะเป็นขึ้นแหลมก็ตามขาดเต็มก็ตามทรงริยญาตให้พระสงฆ์ซึ่งเป็นประกาศิกษุ มีสัมวาลเสมอกันมีความสามัคคีปร้องรองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ลงธรรมโบสดร่วมกันกล่าวคือยกสินสองร้อ่ันเป็นสิขาบทประจําภิกษุนั่นขึ้นแสดงสู่กันฟังทุกกลิ่งเดือนหรือ15วันแต่วันนี้ พระพุทธเจาให้ทรงงดการสแสดงปฏิโมกเสียและทรงอนุ ญ, ญาตให้ประสงค์ทั้งนั้นโปราณาซึ่งกันและกันการโปราณาซึ่งกันและกันนั้นก็มีความหมายโดยย่อก็คือจะได้ว่ากล่าวตักเดือนซึ่งกันและกันได้ ในเพราะได้เห็นก็ดีได้ยินได้ฟังก็ดีสงสัยและน่ารังเกียดก็ดีด้วยสายเหตุทั้งสามประการนี้เป็นต้นและก็ว่ากล่าวตักเตือนกันไม่ถือโทษโกรธเคืองกันอย่างนี้เป็นต้นนี่คือคำว่าปรนา เมื่อเรามองถึงเพ่งถึงเนื้อหาแม้แต่เพียงเล็กน้อยแค่นี้ก็ตางย่อมมีความหมาย อ, อันสำคัญยิ่งเพราะผู้ปราานาซึ่งกันและกันนั้นคือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้อื่นทั้งน้อยและใหญ่และปานกลาง จะด้วยได้เห็นได้ยินและหน้ารังเกียจก็ตามในความประพฤติของตนก็ให้ว่ากล่าวตักเตือนชี้แนะได้โดยที่เราจะไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่พยาบาิอาคตดและโจงเ็นใดๆทั้งสิ้นนี่ก็สอดแสดงถึง เป็นการปฏิบัติทั้งในส่วนเป็นธรรมและเป็นวินัยดังนั้นจึงเป็นไปเพื่อความทรงหยุดแห่งระาศาสนาและภาวะของความเป็นภิกษุโดยความเป็นปกติกล่าวคือบริสุทธิ์ทั้งส่วนกายและจิตใจตามหลักคือข้อปฏิบัติดังนั้น จึงเป็นไปเพื่อความเจริญงอกงามและไยบุญทั้งตนและพระศาสนานี่คือการความหมายของคำว่ามหาปวารณาหรือปวารณาในแก่ประสงค์ในพระพุทธศาสนานี้ได้กระทำการสืบมาตั้งแต่ 2,500 โรกว่าปีจนถึงปัจจุบัน ต, ตามพร ะ, ระบรมบทพุทธานุญาต อันนี้เมื่อเราผู้ที่เป็นกระหัตญาติจกชาโอปัญญายโกน้อมไปเพื่อประพฤติปฏิบัติในกันและกันก็ย่อมจะได้และก็จะเป็นไปเพื่อความสงบความสามมาขีและความเฉลิญย่อมนำความสงบสุขมาให้แก่ผู้ มีแนวทางของการปฏิบัติดังที่กล่าวมาเพราะฉะนั้นวันนี้ในชื่อว่าเป็นวันมาปราุราหรือเป็นวันออกพรรษาอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เข้าใจกันพระสงฆ์องค์เด่นก็จะได้เป็นอิสระจาริกสัญจรไปเพื่อกิจทุระตลอดถึงเจริญสำนัธรรมได้าตามความประสงค์ โดยไม่ต้องกังวลแก่เกี่ยวกรราตีและอาวัแม้พวกเราซึ่งเป็นอุบาสกอุบาสิากาก็เช่นเดียวกันตามปกติพุทธบริษัทหรือชาวพุทธทั้งหลายซึ่งเป็นผู้มีภรรารกิจในอันหาเครื่องเลี้ยงชีวิตเพราะการปกครองเรือนนั้นมีมากยากต่อการที่จะ ปฏิบัติพระพุทธศาสนากล่าวคือทานก็ดีสินก็ดีภาวนาก็ดีหรือสินสมาธิปัญญาก็ดีแม่ที่ตนปรารถนาเป็นอย่างยิ่งให้แกตนข้นตนอย่างเต็มมิกเต็มมวยเหมือนภิกษุสามเณรหรืออุบาสิกาชีผู้ที่พรงเสียแล้วสละเสียแล้วนั้นได้ ดังนี้จึงได้อาศัยความตั้งอตั้งใจเฉพาะกาลสมัยเช่นกาลในพันษาสามเดือนไตรมาสอย่างภิกษุอยู่จำพรรษาจึงได้ตั้งสัจจาอธิษฐานลงไปว่าเราจะใส่บาตรไม่ขาดทุกวันหรือทุกสามวัน เช่นเจคำแ8ดคำขาวคําอย่างนี้เป็นต้นหรือทุกวันพระนี่เกี่ยวกับการตั้งสัจจะต้องการให้ทานมีข้าวน้าโภชนาหารถวายหมากบุร่เพสัตว์อย่างอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งควรแก่สมณะบริโภคประช้ยสอยนั้นก็ดีหรือเราจะมารักษาโบสุท ธ, ธิสิน ทั้งวันรับวันรักษาแล้ววันส่ง7ค่ำ8ค่ำเข้าค่ำเดือน1 1ึวันก็ดีหรือทุกวันพระทั้ง8ค่ำ15้าค่ำตลอด3เดือนไตรมาสก็ดีหรือเราจะรักษาศิน5้าสินตลอด3เดือนไตรมาสไม่ขาดก็ดีเหล่านี้ซึ่งเราท่านทั้งหลาย ก็จะได้พากันตั้งใจตั้งสัจจะหรือวันพระ8ดค่ำสิห้าค่าเดือนเต็มเดอนขาดทั้งขึ้นทั้งแหลมเราจะตั้งใจเจริญพระกรรมฐานอยู่ในยาบทสามเรียกวันเนสัจิกังคาตทุ ด, ดมอย่างที่พวกเราก็เป็นจำนวนมากไม่น้อยทั้งภิกษุสั ม, มนเณีลูบ า, ส, บาสุกุบาสิกา ใหตั้งใจสมาทานปฏิบัติกันมาจนถึงวันนี้อยู่ในบทสามคือคืนการยืนการเดินและการนั่งยกไว้กันนอนและพิงเพื่อจะบริหารจิตใจของเราด้วยการเจริญสมาธิภาวนาเรียกว่าเจริญกรรมฐ า, านหรือบริหารจิตของเราด้วยการวิตกวิจารในอัตในธรรม คำสอนของพระพุทธเจ้ามีพุทธานุสติก็ดีธรมมานุสติก็ดีสังขานุสติเตตสติก็ดีจาคานุสติก็ดีศีลานุสติก็ดีในที่สุดกายานุสติก็ดีจะ่ด้วยโดยแคบโดยกวา้างความก็ตางในเชื่อว่าเราเป็นผู้มีความเปลี่ยน ในอันที่จะรักษาไว้สึ่งจิตใจของเราห้าอยู่ในแนวระดับเจตนารมที่เราได้ตั้งใจไว้ว่าจักประกอบความเพียรเหล่านี้เป็นต้นเราท่านทั้งหลายก็ได้ฝ่าฟันอุปสรรคในอันที่ประกอบความเพียรเพื่อรักษาสัจจาการบำเพ็ญคุณความดีทั้งส่วนภายนอกภายในทั้งกล่าวสู่ฟังโดยย่อนี้ ก็ได้สำเร็จรูล่วงไปจบถึงวันนี้แต่แท้ที่จริงแล้วการประกอบคุณความดีนั้นธรรมะหรือศีลธรรมย่อมเป็นเหตุกาจัดสิ่งที่ไม่พึงปราดปนานได้แก่ความชั่วเรียกว่าบากระกุศล ซึ่งเกิดขึ้นในส่วนกายลิกิตของเราอยู่เสมอนั่นเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุก่อให้เกิดทั้งเวรและกรรมนำความทุกข์หายนะภายนอกมาสู่ตัวเราหรือตัวบุคคลผู้กระทำในที่สุดยังความทุกข์เดือดร้อนได้เกิดขึ้นภายในจิต ย่อมเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายไม่พึงปรารถนาเมื่อเป็นชิมนี e เราท่านทั้งหลายมีความประสงค์ความสงบสุขทั้งส่วนภายนอกภายในแม้การมีชีวิตอยู่เข้าไปเราก็ต้องการเข้าไปสู่ความเจริญไม่ว่าทางโลกและทางธรรมดังนั้นเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้ ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อข่าวแล้วโดยคำสอนได้แก่พระธรรมคำสั่งได้แก่ศีลและวินัยเท่านั้นที่จะเป็นเหตุสนองความประสงค์ของพวกเราท่านทั้งหลายให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดีดังนั้นการปฏิบัติทำคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นอากาลิกโก ไม่มีการไม่มีสมัยนิยมอย่างที่พวกเราเข้าใจแต่ทั้งนี้และทางนั้นเราท่านทั้งหลายก็มีความมุ่งหวังแม้แต่เป็นปิกสุสัมมณีบุบาสิกาชีก็ตามจะนับประษาอะไรซึ่งการเป็นกระวาดผู้ครองเรือนทันมีภาระมากก็ไม่สามารถจะปฏิบัติประกอบความเพียร ให้แก่ตนข้องตนโดยความเป็นสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอสมสมปยอย่างไม่ขาดตบบุบรองอย่างนี้ทั้งนี้ก็เพราะว่าความเป็นบุทธิุชนผู้ยังเกืนกนและหนานแน่นด้วยมูลเหตุที่จะกอให้เกิดความไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ในอันดีประกอบความเพี่ยนนั้นมีอยู่อย่างเต็มตัว ในกายและจิตใจของพวกเรานั่นเองดังนั้นในโอกาสคือวันนี้ก็จะได้นำธรรมะบางสิ่งบางประการมาสแสดงชี้แจงเพื่อเป็นการ ส, งส่งเสริมในการศึกษาควรเรียนรู้ในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า และเราจะได้โนบันายิกน้อมไปประดับกลวาจาจิตของตนโดยที่พวกเราทุกท่านทุกคนได้ปรับปรุงพื้นฐานของเราไว้แล้วเป็นอย่างดีกล่าวคือเป็นผู้มีสินอย่างน้อยก็คือมีสินห้าเป็นพื้นฐานในการพัฒนาขจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ สิ่งที่อากูลปฏิกูลและแก่บาปให้หมดไปจากกายรวาจาโดยที่มีจิตเป็นติดตั้งร่ากายวาจาของเราได้ชื่อว่าเป็นภาชนะที่บริสุทธิ์ถ้าเป็นอาคารโรงร้านบ้านช่องก็เป็นอาคารโรงร้านที่มั่นคงแน่นหนาะสะอาดสมบูรณ์ทุกอย่างเหมาะแก่การที่จะประดับ ประดาตกแต่งด้วยเครื่องประดับโดยหาค่าหาประมาณไม่ได้อันนี้ฉันเลยเราท่านทั้งหลายต่างก็มีเครื่องปรับพื้นฐานคือมีสินซึ่งจะต่างคนอยู่บ้างโดยภาวะในแง่ความเป็นภิกษุก็สิน227สมมเามเณรก็สินสิบอุบาสกอุบาสิ ก, กาที่สูงขึ้นมาก็ได้กแก่สิน 8, แปดหรือสินอุโบสถ ขันต่ําสุดก็คือสิหนี่คือความไม่เสมอภาคกันเราท่านทั้งหลายต่างก็มีสินเป็นเครื่องประดับกายเป็นเครื่องรักษากายวาจากายวาจาของเราดํารงทรงตั้งอยู่ในความเป็นปกติเพราะด้วยอํานาจแห่งศินศินของเราจะดํารงทรงอยู่ได้ด้วยอํานาจของความสํารวม สำรวมกายสำรวมวาจาสัรวมตาหูจมูกลิ้นกายและเราเป็นผู้มีหิลี่คือความร้ายประบาดทั้งในที่รับที่แจง้งโอ ต, ตปาคือความบาสุดกลัวต่อผลของบาปคือการปิดสินทั้งในที่รับที่แจง้งตราบใดเรามีเฮลี่โอ ต, ตปาเป็นเครื่องครองใจอยู่จเจริญอยู่ในใจเป็นนิดสินของเราก็าย่อมจะสถิตมั่นคงเหนียวแน่น ไม่งอนแง่นและวันไหวคือไม่ขาดไม่ถูกทำลายและด่างพร้อยอย่างนี้เป็นต้นจึงเป็นกายวาจาและจิตควรแค่การจะพึงประดับเพิ่มเติมส่งเสริมให้เจริญงอกงามไปบุญยิ่งขึ้นด้วยคุณธรรมดังนั้นวันนี้จะได้นำธรรมะบางสิ่งบางประการมาแสดงสู่กันฟังเรียกว่าสาลานิยธรรมบุก และแก่ทำมาเป็นที่ตั้งแห่งการระลึกถึงซึ่งกันและกันถ้าบุคคลมีธรรมทั้งหประการนี้แล้วบุคคล น, นั้นย่อมเป็นที่ตั้งอันเป็นที่ลักที่เคารพสักการ บ, บูชา<ม>เขาเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์ไม่ทะเลาะ ว, วิวาสสามัคคีรองรองเป็นนันหนึ่งอันเดียวกันอย่างนี้เป็นต้น ทำทั้งหกประการนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคสมัยเมื่อพระองค์ทรงประทับอยู่ในประเชตะวันมหาวิหารซึ่งเป็นพระอารามน่าจนะปินธิกาเศรษฐีได้สร้างถ้วยในทรงสแสดงทำทั้งหกประการนี้เอวารานาญธรรมแก่ภิกษสุสมโดยที่มีใจความหนึ่ง เราจรึงเป็นผู้มีเมตตาเราจะกระทำสิ่งใดด้วยกายก็จงกระทำด้วยกายอันประกอบไปด้วยเมตตาเป็นการกระทำที่ประกอบไปด้วยเมตตาเมีเมตตาเป็นที่ตั้งการกระทำที่ประกอบด้วยเมตตาต่อผูภิกษุสามเณร ได้แกการปฏิบัติภิสูุสัมมเนรไข่รูปประชาอาจารย์หมู่คณะซึ่งเรียวกว่าภิกษุนสัมมเนรไข่เป็นต้นไอ้นี้ท่านยกตัวอย่างและก็จะต้องเป็นการกระทำทางกายอันประกอบไปด้วยเมตตาไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไร้เมตตาการกระทำด้วยความเมตตานั้นเป็นการกระทำที่ละมุนละไม เป็นการกระทาที่อ่อนน้อมกรเดียดไปททงการถ่อมตนไม่เย่อหยิ่งกระโดกกระเดกกระด้านคือไม่หยาบคายมีกิริยามนุยราชมารยาทเรียบร้อยสงเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันด้วยการแสดงออกซึ่งต่างกาย จะทำอะไรก็เป็นคนไม่หยิบย่องไม่ดูดายไม่ขี้เกียจไม่ดิ้ครั้งเอากิจการของหมู่ของคณะไม่ปล่อยป่าละเลย น, นายท่านนายแทนในหน้าที่ของตนเมื่อสรุปลงมาแล้วเราจะกระทำทางกายโดยวิธีการอย่างไรก็ตามจะต้องไปออประกอบเพวย อ, องคุณคือเมตร แก่ความรับความปรารถนาซึ่งความมีให้แก่กันและกันนี่อย่างหนึ่งสองเราจะกล่าวสิ่งใดใดแก่ภิกษุเพื่อนภิกษุสามนเณรซึ่งเรียกว่าเวจีกรรมก็จะต้องประกอบไปด้วยเมตตามีการกล่าวชี้แน่และสั่งสอนตัดเกินเป็นต้นต่อเพื่อนพมัญชาติคือภิกษุสามนเณร อันเล่าคำว่าเป็นต้นนั้นนั่นแสดงถึงเกี่ยวกับวาจานั้นมีมากให้เราได้โปวดเข้าใจแต่อย่าลืมว่าวาจาใดๆข้ตาเป็นวาจาทีไม่ปราศจากเมตามตาเมตตาเราก็รู้อยู่แล้วคือความรักความปรารถนาดีความประสงค์ดีให้แก่กันและกันข้อที่สมเราจะคิดสิ่งใดทางใจในแก่มโนกรรม ก็จงประกอบไปด้วยเมตตาคิดความปรารถนาดีให้แกหมูนะ่แกคณะแกพิกษุทธิ์สมณนตั้งต่อหน้าและเป็หลังมีเมตตาเป็นที่ตั้งนี่เป็นข้อที่สา ก, กายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีเราทุกคนได้ชื่อว่ามีเหมือนกันเรียกว่าใจทวัต ดีก็ดีความดีก็ดีความชั่วก็ดีไม่ชั่วก็ดีเกิดขึ้นจากถัวรทั้งสามคือกายวาจาจิตคนจะพึงดำเนินกล่าวคือปฏิบัติให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยในกิจกรรมและหน้าที่นานๆและอีกประการหนึ่ง เราท่านทาั้งหลายก็คงจะได้พิจารณารู้เห็นตามข้อวัดปฏิบัติดังกล่าวแล้วว่าจะนำประโยชน์โสดที่ผลซึ่งเป็นไปในทางดีและเป็นเหตุให้เรา ได้ห่างไกลพ้นไปจากทางแห่งความชั่วไปโดยลำดับของบุคคลพระท่านที่เอาใจฝักไฟ่ในหน้าที่และปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบแห่งข้อบังคับ ที่พวกเราทันทั้งหลายได้น้อมรับเอาด้วยกายด้วยวาจาและด้วยจิตใจดังนั้นในโอกาสนี้ใครที่จะฉลองศรัทธาความเชื่อประสาทความเรื่มใส ในการประพฤติปฏิบัติอบรมของพวกเราท่านทั้งหลายด้วยทำบางสิ่งบางประการซึ่งมีอยู่ในบรรดาคําสอนของพระพุทธเจ้าตามในยะที่ได้ยกขึ้นเป็นหัวข้อของการแสดงหรือบรรยาย ในวันนี้ซึ่งเป็นภาษาบาลีว่าอนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอุ ป, ปาทวายธรรมโนมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาอุปชิตตวานิยุชันติ ทันเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปสโมสุโคเมื่อเข้าไปสงบระ ง, งับสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเสียได้ย่อมเป็นสุขดังนี้ในหัวข้อธรรม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 ความเปลี่ยนแปลงของสังขารและในที่สุดความเปลี่ยนแปลงทั้งสองประการนั้นก็จะรวมตัวลงไปสู่จุดเดียวกันนั่นก็หมายถึงว่าเกิดขึ้นเท่าไรย่อมไหลลงไปสู่แห่งความดำจนหมดสิ้นเท่านั้น นี่คือความเป็นอยู่เป็นเรื่องของสังขารดังนั้นในศาสนาของท่านผู้รู้ท่านจึงแสดงไว้ว่าการเข้าไปสงบระงับสังขารเหล่านั้นได้เป็นสุขทางนี้สังขารในที่นี้ถ้าเมื่อเราจะกล่าว โดยย่อเข้าใจกันอย่างง่ายๆข้อหมายถึงอัตภาพร่างกายของเราทั้งหล า, ายนี้เองได้แก่รูปซึ่งเรียกว่ารูปกายเรียบวกนจะเป็นหญิงก็ตามตัเป็นชายก็ตามนี่แหละเป็นทิ่ตั้งนี่แหละได้ชื่อว่าสังขาร ถ้าเราจะมองไกลออกไปถึงเพื่อนล่มร่วมโรคเกิดแก่เจ็บ ต, ตายก็ได้แก่สัตว์ดิรัชานทุกชนิดที่มีชีวิตได้แก่ตัวรู้ครอบครองในร่างสังขารนั้ น, น, น, น, นเราเรียบรวมลงมาว่าสัตว์ดิรัชานซึ่งต่าง จักสังขารคือเหล่าท่านตั้งหลายที่ได้สมมุติว่าเป็นมนุษย์สังขารเหล่านี้ท่านเรียกว่าอุ ป, ปาทินากาสังขารสังขารที่มีวิญญาณคือตัวรู้ครอบครองหรือสิงเสถิดอยู่ในอันตาภาพ ค, คือเรือนร่างนั้นไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เรื่อฉานนี่รวมลงมากล่าว เป็นสังขารอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งสังขารที่ปราศจากความรู้เข้าสิงสถิตยอยู่หรือครอบครองแต่แกต้นไม้ภูเขาตลอดถึงทัพสสมภาระที่มนุษย์เราได้ก่อร่างสร้างขึ้นมาจากสิ่งต่างๆ ยกตัวอย่างเช่นวิหารหลังนี้เป็นที่อาศัยสำหรับพวกเราทั้นทั้งหลายได้ประกอบคุณงามความดีเลื้ออำนวยความสะดวกให้แก่พวกเราทั้นทั้งหลายดังที่ทราบอยู่แล้ววิหารหลังนี้เป็นต้นนั้นจิงชี้ให้เราได้เห็นว่าเป็นสังขาร ที่ปราศจากตัวรู้ซึ่งต่างจากพวกเราท่านทั้งหลายออกไป <c oughs> ก็ได้ชื่อว่าเป็นสังขาร <c oughs> เช่นเดียวกันกับพวกเราซึ่งมีตัวรู้นั่นเองจะต่างกันอยู่เพียงแต่ว่าปราศจากความรู้กับการที่มีความรู้ครอบคลองอยู่ขึ้นชื่อว่าบรรดาสังขารทั้งหลายแล้วเมื่อมีความเกิดขึ้น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 ว่ามาลายลงไปราบเรียบลงไปสู่มันเป็นหน้ากองสู่พื้นปะตะพีคือแผ่นดินอย่างนี้เป็นต้นในระหว่างของการจะถึงความแดกแตกดับหรือทำลายไม่มีส่วนใดเหลือไม่สามารถที่จะทรงอยู่ในรูปทรงสันฐานเดิมได้เขาก็จะต้องประสบ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 ในเครื่องพิสูจน์ของพวกเราจะด้วยโดยภายนอกคือตาด้วยภายในคือใจโดยแจ้งชัดหรือไม่ก็ตามทีสังขารเหล่านี้ก็จะแสดงถึงความแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเครื่องพิสูจน์ภายนอกได้แก่ตาของเราได้แก่หูของเรา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 ต่างๆโดยที่เราจะสร้างขึ้นปลูกขึ้นหรือไม่ได้แก่การเป็นเองก็ตามเราสามารถที่จะมองเห็นความเปลี่ยนแปลงสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นดังกล่าวนี้ด้วยตาเนื้อตาหนังซึ่งมีความรู้ประจำอยู่ในจักสุคือตาของเราได้แต่ถ้าว่าความเห็นความเปลี่ยนแปลงด้วยเครื่องี่สูจ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 ก็รู้สึกว่ามันสายเกิดไปไม่ทันการอย่างตาของเรางี้กว่าจะเห็นผมของเราบนทิศทางของเรางอกหรือจะเห็นผมของคนอื่นงอกหรือจะเห็นคนอื่นเขาแก่ชราลงไปกว่าจะเห็นบ้านช่องเลื่อนชันเครื่องยนต์กลไกมันจําลุดสุดโสรมเปลี่ยนแปลงไปไม่มั่นคงเหมือนเดิมมันก็จะต้องขึ้นอยู่กับการเวลา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 จึงจะสามารถรู้ได้ผู้ที่รู้รลักของความเป็นจริงอันนี้นั้นในศาสนาของเราในยุคสืบมาจนถึงปัจจุบันแ่เด็แขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามที่พวกเราได้ทราบแม้พระนามแท่โคตรของพระองค์มาแล้วมพระพุทธเจ้าได้ทรงเห็นด้วยพระปัญญาปรีชา อันแหลมคมหรือเฉียบแหลมของพระองค์โดยสิ้นเชิงจึงได้ทรงตรัสหรือที่แนะแนวทางแนวทางไว้แก่พวกเราทาัทาทั้งหลายได้ศึกษาตามเรียกว่าพระพุทธศาสนาพุทธสาวกสาวิกวิกาเรียกว่าพระขีนาสพพระรหัสพระรหั ร, รทั้งหลายทั้งปวงแม่ ดับขันเข้าสู่ น, นิพพานตามพระพุทธองค์ไปแล้วไม่อาจจะนับจำนวนได้ว่ามีประมาณเท่าใดพระหันทั้งหลายเหล่านั้นกรลุนแล้วแต่เป็นผู้รู้เท่าทันในกองสังขารดังที่กล่าวแล้วภายในใจิตใจอย่างแจ้งชัดโดยไม่ต้องสงสัยอย่างนี้เป็นต้น พวกเราท่านทั้งหลายก็เช่นเดียวกันการที่พวกเราท่านทั้งหลายได้พากันสนใจฝักไฟในพระพุทธศาสนาคราวคือคำสอนของพระพุทธเจ้าจนถึงขั้นของการที่เสียสละเย้าเรือนออกมาบวชในพระพุทธศาสนาเป็นผู้ไม่มีเรือน นี่ก็แสดงให้เราเห็นแล้วว่าเราเป็นผู้ที่มีเจตนารมม์มีความปรารถนาในอันที่จะศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างจริงจังนั่นหมายถึงว่าต้องการให้ดวงผู้รู้ของเรานั้นรู้ถึงสัจจคือความเป็นจริงอันปรากฏการ อยู่บนกองแห่งสังขารในโลกนี้ต่อเมื่อเรารู้หลักของความเป็นจริงปรากฏจริงประจับแจ้งในจิตในใจของเราเมือ่อใดเมื่อนั้นแหละใจของเราจะคลี่คลายออกจากสมุดฐานเหตุแห่งความมัวหมองจิตกาวคือกิเลสได้ เราท่านทั้งหลายก็มีศรัทธาความเชื่อโดยการอย่างนี้มีประสาทาความเลื่อมใสในข้อวัดปฏิบัติมีสินสมาธิปัญญาหรือทานสินภาวนาทานก็หมายถึงการเสียสละทรัพย์ ส, สมบัติแก้วแหวนเงินทองปินต้นสินก็ได้แก่การสำรวมกายสำรวมวาจา